ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยพระพุพะทธธรรมพระสงค์ขออากาศนลงพ่กรมพระเทลานุเทระเพะื่อธรรมทุกท่านนะจะเดินในพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนนั่งกันตามสบายนะนั่งกันตามสบายวางใจให้สบายๆนะให้ผ่อนคลายใจใจที่สบายนะใจที่ผ่อนคลาย จะเป็นใจที่รองรับพระธรรมได้ดีที่สุดนะถ้าใจของเรามันแข็งกระด้างนะถ้าใจของเรามันเต็มไปด้วยความคิดนะถ้าใจของเรามันเต็มไปด้วยความเห็นทิฏฐินะโตแย้งนะหรือว่าใจมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นเลยนะใจแบบนี้นะก็ยากที่จะ รับธรรมะได้ดีนะเปรียบเสมือนกับภาชนะนะเวลาฝนตกเนะเวลาฝนตกเรามีถังมีกระมังจะเอามารองรับน้ำฝนนะถ้าถังหรือกระมังของเรามันมันรั่วนะน้ำฝนนะตกลงมา น, ะน้ำก็รั่วหายไปนะเก็บน้ำไม่ได้นะหรือบางทีถ้าจิตใจของเราอะา มันแข่งกระด้างนะก็เปรียบเสมือนภ า, าชนะที่รองรับน้ําฝนแต่เราปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้นะธรรมะนะที่เกิดจากธรรมชาติที่เขาสอนธรรมะหรือธรรมะที่เกิดจากนะคําสวดมนต์ที่เกิดจากพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือธรรมะจากครูบาอาจารย์เองก็ดีหรือธรรมะที่มันระลึกได้ในตัวเราเองก็ดีมันผุดขึ้นมาแต่เราก็ปิดกั้น ด้วยความคิดความเห็นโดยทิฏฐนะิของเราเองตอนนี้ก็จะทําใหนะ้ธรรมะมันยากที่จะซึมซับเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเนาะนะให้เราทําใจให้สบายวนะ า, างใจให้ผ่อนคลายนะวางกายให้ผ่อนคลายอันนี้แหละคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะทางสุดตรงที่ ที่พวกเราทำผิดกันมาเนิ่นนานได้พบรายชาตินะหรือว่าทุกคนนั่นแหละทุกสรรพสัตว์ยากที่จะเดินในทางสุขทางสายกลางนะแต่พระเจ้าท่านค้นพบทางสายกลางนี้นะสอันึงปีแล้วนะในวันเพ็ญวิสาขะนะวันนี้นะเป็นวันอาสารหบูชานะท่านได้ค้นพบทางตรงนี้ แล้วก็ท่านก็เอาทางที่ท่านได้ค้นพบนี่นแหละมาบอกต่อนะมีสาวกรุ่นแรกนะก็คือพระปัญจะวะคัคคนะีท่านเป็นการเรียกว่าเป็นการการันตีว่าทาง น, นี้ไม่ใช่แ่ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าท่านั้นที่จะไปได้ไม่ใช่แค่โพธิสัตว์องเดียวที่รู้ธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะได้ยังมีคนอื่นที่ ก็สามารถเข้าถึงธรรมนี้ได้เช่นกันนะมันจะวะคัคคีเป็นเป็นคนแรกนะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าถึงธรรมนั้นอาจจะวันนี้อาจจะรู้ธรรมเพียงแค่พระัญญาโกธัญะนะแต่วันถัดไปก็มีพระรูปอื่นรู้ธรรมตามพ่า น, นั้นธรรมะก็ไดยไปสิ่งที่เรียกว่ามันไม่ใช่เหลือวิสัยนะของคนทั่วไปนะไม่ใช่วิสัยียลแค่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น คนอื่นก็สามารถรู้ธรรมะตามได้เช่นเดียวกันนะถ้าจิตใจของเราเปิดรับธรรมะเนะเราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้ธรรมะเกิดจากเราต้องเปิดใจนในการรับรู้เปิดใจในการรับรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละนะถ้าใจของเราไม่เปิดเนี่ยใจของเรามันเต็มด้วยความคิดนะใจของคนทั่วไปส่วนใหญ่มันจะเต็มไปด้วยความคิดความฟุ้งซ่านนะ หรือว่าความเพอ้อฝันหรือว่าความเหม่อลอยนะสังเกตไหมตอนที่เรายังไม่ค่อยปฏิบัติเนี่ยจิตส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันก็เหม่อนะเหม่อลอยนะหรือบางทีก็ฟุ้งซ่านจับสาระอะไรไม่ได้คิดสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายสับสนปนเปนะหรือบางทีเราก็มักคิดไปถึงอดีตเนาะคน ชาดานี่มักคิดถึงอดีตนะคนหนุ่มคนสาวมักคิดถึงอนาคตอันสดใสอันนุ่งเรืองหรือบางคนเป็นคนวิตกเจดิตนะก็คิดกังวลแต่เรื่องที่กลัวความไม่ปลอดภัยนะบางคนเป็นคนนะมองโลกในแง่ค่อนข้างแงด่ดีก็มองชีวิตเป็นในที่สดใสแต่บางทีก็อาจจะประมาทก็ได้นะอาจจะมองทุกอย่างสวยงามทั้งหมดนะ แต่ก็ประมาทว่ามันก็ไม่แน่นะเเราคิดเช่นนั้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้บางทีเราก็ประมาทว่าวัยของเราตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังมาวัดมาวาได้ไม่เหมือนบางคนที่มาวัดมาวาไม่ได้นะก็ <c oughs> คิดว่าเราคงมาได้อีกอีกหลายปีนะหรือว่าจะมีเวลายอยู่ในโลกนี้อีกนานนะ บางคนก็ประมาทในสังขานรนั่งกายนะบางคนก็ประมาทว่าตอนนี้เราจะไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บรุนแรงนะก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะเอาเอาเอาบายมุกนะเข้ามาสู่ร่างกายหรือใช้ชีวิตแบบดื่มตายนะลดโผลเสี่ยงภัยนะขับรถเร็วบ้างกินเหล้าเมายาบ้างก็เสี่ยงอันตรายทั้งนั้นนะอันนี้ก็ประมาทในโรคภัยแค่เจ็บนะ ที่จริงโรคภัยแค่เจ็บนะมันก็อยู่ในกายนี้นะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเขารอเมื่อไหร่ที่ร่างกายภูมิต้านทานเขาอ่อนแอเขาก็แสดงอาการออกมาหรือบางทีเขาก็รอเพื่อนเขานะมาสะสมมากขึ้นนะมะเร็งก็อนุมูลอิสระมันก็อยู่ในร่างกายของเราส่วนหนึ่งนั่นแหละอาจจะรอมาเสริมอีกมากๆหน่อยนะก็จะได้กลายเป็น มาเดงเต็มขั้นอะไรแบบประมาณนี้นะก็คือโครคภัยแค่เจ็บมันก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็รอวันจะเดิน ง, งอกงามขึ้นนั่นจะได้ประมาทนะแม้แต่บางทีอุบัติเหตุเองนยะมันไม่ใช่เกิดจากโกาครคภัยแค้เจ็บแต่มันก็อาจจะทาให้เราเจ็บนะก็ได้ความตายก็ดีนะอยาได้ประมาทนะอยาได้ประมาทในความตายเราจะตายวันนี้ตายวันพรุ่งนี้ หรือตายปีนี้ปีหน้าก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากผู้ที่มียานรูน้เรื่องของอนาคตาแต่ปุถุชนเช่นเราส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้ทัฉ น, นนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตนในความแข็งแรงก็ดีในความยังหนุ่มนังสาวก็ดีในความที่ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ใกล้จะตายก็ดี หรือบางทีเราก็ประมาทว่าชีวิตวันนี้เรายังไม่เคยทุกข์ชีวิตวันนี้ก็ยังพอมีความสุขชีวิตมันก็พออยู่ได้ของมันอยู่นะก็ประมาทในการที่จะเรียกว่าเออละเหื่อยลอยชายนะไม่รีบขอนขวายที่จะทำความเพียรในการที่จะออกจากความทุกข์ก็คือว่าใช้ชีวิตไปเพียงแค่วันๆนะมีกินมีกิจวัตรต่างๆ แต่ก็ดื่มว่าความสําคัญของการมีชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรนพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าคนเราเกิดมานะมีสิทธตที่จะทําให้ชีวิตนี้พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ก็คือคนเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะหลุดพ้นนะจากวัตฏสงสารได้เนะี่ยถ้าเราเกิดมาในชาตินี้เพื่อที่จะมาทําสิทธิ์ตรงนี้หรือว่ามาทําหน้าที่ตรงเนี้ย น่าจะเป็นหน้าที่ที่มีค่าที่สุดละในการที่เราได้เกิดมาการที่เรามีหน้าที่เป็นอย่างอื่นเป็นข้าราชการก็ดีเป็นพลเมืองไทยก็ดีเป็นนักบวชก็ดีเป็นอะไรก็ดีเป็นพ่อเป uncle, ็นแม่เป็น <kann> ล <clears throat> <Yes, S 2> ูกก็ดีอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องกับโลกเนาะแต่หน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองนี่เราได้ทำหน้าที่นั้นถูกหรือยัง หน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับกายกับใจเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วหรือยังเราทำให้กายเขาทุกข์นะหรือเปล่าเราทำให้ใจเขาทุกข์โดยหรือเปล่านะเรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับนะเป็นเพราะใจเครียดหรือเปล่าเนี่ยเราได้ทำหน้าที่กับกายกับใจถูกหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วกายกับใจเขาก็เป็นตัวทุกข์ของเขาอยู่หลักแต่พอเราเห็นผิดนะ มีความยึดมั่นมีความเห็นผิดเนี่ยมายิ่งซ้ำเติมให้ใจมันทุกข์นะพอสมมุติเช่นเราหิวข้าวนะบางคนก็ไม่ทุกข์นะหิวก็รู้ว่าหิวก็หาอาหารมารับประทานกินไปแต่บางคนก็หิวแล้วก็โมโหนะเมื่อใ่จะได้กินนะหรือบางคนก็พลอยไปโทษคนอื่นนะอย่างเช่นของข้าวน้อยฆ่าแม่แบบนี้นะ หิวแล้วก็ไปโทษว่าแม่เอาอาหารมาให้ช้าก็ฆ่าแม่ตายนะมันเนี่ยมันก็มีหิวมันก็มีเนี่ยบางคนหิวแล้วก็ไม่ทุกข์ก็แก้ไขไปบางคนหิวแล้วก็ทำให้ใจตัวเองทุกข์ไปด้วยนะเมื่อใ่จะได้กินหรือบางคนหิวแล้วก็ไปคอยไปพานโทษคนอื่นอีกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้ก็เป็นในทํานองนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายของเราเองเนี่ย บางทีเราก็เรียกว่าทําให้ใจมันทุกข์ตามไปด้วยนะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจโดยตรงของมันเองเนี่ยเช่นเราผุดคิดขึ้นมาเมื่อไรนะถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็ปรุงแต่งเป็นสารพัดนะปุงแต่งไปแล้วก็ทุกข์ล่วงหน้านะเรากลัวนะเรากลัวที่จะตายไม่ดีนะบางทีเราก็คิดคิดทุกข์ในตอนนี้นะทำยังไงถึงจะตายดีนะ กประมาณเนี้ยชีวิตของเราบนงทีเราทุก่วงหน้านะทุกผ่อนส่งไปด้วยนะทุกวันนี้ก็ทุกอนาคตก็ทุกทุกไปเรื่อยทุกไปทั้งตายนะแต่คนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติถูกนะเดินตามทางสายการที่พระเจ้าสอนทางตังนี้เรียกว่าอะไรอริยมรรคมีองค์แปดนะคือการใช้ชีวิตนะโดยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยว่าโดย ว่าโดยเย่อๆนะเรามาทบทวนดูว่านะเราได้เดินตามทางอริยมรรคมีองค์แปดไหมเราได้เดินทางสายการไหมหรือว่าเราเดินในทางสุดต่งสองทางนะทางสุดโต่งสองทางเนี่ยนะมันมันเป็นทางที่ใหญ่มากนะนะนะการหลงไปในการมรสขานแลการนิยโยนีน่ยมันก็กว้างมากนะ ส่งไปในอัตถ า, านกิจรรมทานโยเนี่ยก็กว้างมากทางสายการนี่เป็นทางแคบๆนะอยู่ระหว่างทางสุดต่งทั้งสองทางนะทางสุดต่งก็สองทางเช่นการมาสุข า, านุการนโย ก, ก็คือการที่มันติดในความสุขนั่นแหละนะอาจจะเป็นความสุขทางโลกความถูกทางวัตถุนะเราคิดว่าเราได้สิ่งของมาสิ่งของนี้นำมาซึ่งความสุข บางคนก่อนแต่งงานก็คิดว่าถ้าได้ผู้ชายคนนี้ถ้าได้ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตคงจะมีความสุขตลอดไปนะแต่พอมีแรกๆก็มีความสุขมีต่อไปก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมันทุกข์นะหรือบางทีก็อาจจะสุขและสุกสุขทุกทุกปรับปนกันไปหรือบางคนก็มีปัญหาเข็ดขยาดเลยก็มีมันก็หลายๆอย่างนะวัตถุสิ่งของภายนอกบุคคลภายนอก บางทีเราก็คิดว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มามันนํามาซึ่งความสุขแต่บางทีได้มาแล้วกับทุกมากกว่าเก่าทุกเพราะความหวาดระแวงนะทุกเพราะความหึงหวงทุกเพราะความห่วงอะไรอาบอนมีไหมอย่างเช่นเรามีแฟนขึ้นมาสักคนเนะี่ยก็ก็ห่วงห่วงว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคอยโทรเช็คคอยกังวลนะ หรือว่าเรามีโทรศัพท์ใหม่มาแล้วก็กลัวว่ามันจะหายกลัวคนจะขโมยนะเรามีรถเรามีบ้านเรามีเงินทองมากนะกลายเป็นตอนนี้เราไม่เป็นอิสระเหมือนบางคนเนี่ยไ ม, ไม่สามารถไปที่อื่นได้บางทีก็บอกทำไมไม่มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างนะก็ห่วงบ้านห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินเงินทอง ห่วงอะไรต่างๆห่วงรูปห่วงร้า น, นไม่สามารถสะระออกมาได้เรามีแต่กลับกลายเป็นภาระที่ที่เลือกผูกรัดผูกรัดเราไม่ให้เป็นอิสระไม่ให้เรามาทำสิ่งที่อย่างอื่นที่มันจะเรื่องการพัฒนาจิตได้บางทีเนี่ยความสุขที่มันเกิดจากวัตถุสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวบางทีมันก็มีอยู่หรอกนะ เรามีเงินทองเรามีอาหารเรามีเพื่อนเรามีคู่ชีวิตที่ดีมันก็เป็นที่พึ่งได้นะในขณะใดขณดหนึ่งนะแต่ถ้าเราพึ่งเขาไม่ดีนะมันจะกลายเป็นความทุกข์นะเป็นสิ่งที่มาแววงให้เราเกิดความห่วงอาใดอาบอนนะทุกทั้งกายบ้างหรือทุกทั้งใจบ้างเนี่ยอันนี้หรือบางคนก็ติดอยู่ในโลกแบบนี้แหละนะติดอยู่กับโลก ในวัตถุสิ่งของบริโภคนิยมวัตถุนิยมแบบนี้แหละนะตลอดตั้งแต่เด็กจนทั้งแก่ชราอาจจะเปลี่ยนตัววัตถุบ้างแต่อาการติดก็เป็นคล้ายๆกันนะั่นแหละหรือบางคนอาจจะติดที่ละเอียดหรือว่าลึกซึ้งขึ้นนะเช่นเราติดในผลของสมาธินะผลของความสุขใจนะเวลาเราสามารถทาสมาธิได้นะ เข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขก็เราก็เกิดความชอบใจเกิดความติดใจเนะเกิดความพอใจเกิดความอยากจะแช่ในอารมณ์นั้นไม่อยากออกจากอารมณ์นั้นเนะเคยเป็นไหมบางทีเนะถ้าเราเคยทำสมาธิได้เ น, นี่ยจะจะชอบนะใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็จะชอบมากนะเวลาเรานั่งสมาธิทีก็อยากจะไปให้ถึงสภาวะ น, นั้น อีกครั้งนะแล้วก็อยากจะให้มันอยู่นานๆให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบายนะเพราะว่ามันไม่เคยในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่มันจะไม่เจออารมณ์เช่นนั้นนะนี่ก็คือเรียกว่าติดในสมาธิสุขนะหลวพ่อเทียนท่านใช้ว่ามันเป็นความมืดสีขาวนะมันเป็นสีขาวที่มันมืดนะป้อนบังตาเรา เปลียนเสมือนเอาผ้าขาวมาบาังตาเนี่ยนะมันขาวนะสะอาดแต่มันก็ทําให้เรามองสิ่งอื่นที่มันไม่ชัดหรือบางทีมองไม่เห็นได้ซ้ำนะอันเนี้ยความมืดสีขาวนี่เป็นอุปสรรคของการภาวนาเช่นเดียวกันนะอันนี้เนี่คือการติดในความสุขนะก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยคนก็ติดในความสุขแบบเนี้มาเนิ่นนานแล้วนะนะ ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของภายนอกในโบราณมันก็มีเหมือนกันนะสมาธิภาวนานะฤษีชีพัยนะักบวชในหลายสำนักเขาก็ทำเช่นเดียวกันนะเขาก็ได้อ่นะาฌานขั้นสูงนะขั้นเจ็ดขั้นแปดเนี่ยก็มีมาสอนกันมานานลพระพุทธเจ้าก็เคยไปเรียนนะพระเจ้าก็เคยไปเป็นลูกศิษย์นะของอาจารย์ดาบ ท, ทั้งสองได้สมาธิขั้นเจ็ดขั้นแปด แต่ท่านก็รู้ว่าสมาธินะมันเป็นสมาธิที่เรียกว่าเข้าแล้วก็ออกมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะท่านก็เลยหาทางที่จะออกนะออกจากความทุกข์ที่แท้จริงแต่ท่านก็ไปสุดตรงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันท่านคิดว่าในเมื่อสมาธิไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงเนี่ยอะไรนอถึงจะเป็นคําตอบที่ท่านให้ออกจากความทุกข์ได้ ก็คิดว่าหนามยอกต้องเอานามบ่มนะก็คือมันทุกนะต้องทำให้มันทุกสุดๆเดี๋ยวมันจะหายทุกนะท่านก็เลยบำเพ็ญกายให้ลาบากนะแรกๆเนี่ยก่อนจะอดข้าวอดน้าท่านอาจจะไปทาทรมานแบบพวกที่พวกฤาษีตัดตน น, นะนะอาจจะนอนน้มนอนตะปูนะหรือว่าก็มีนะมีบางคนก็เขียนไว้ท่านอุษา ลองแบบปฏิบัติวัดแบบเหมือนคล้ายๆลองเป็นเหมือนงวแบบนี้นะลองกินแต่หญ้าลองคานสี่ขานะนะหรือบางทีนะนี่เขาว่านะนะไม่รู้จริงว่าวัดบางอย่างที่เขาพวกฤๅษีเขาถือผิดเนนะี่ยบางทีเขาลองกินอุจจาระลองกินปัสวะแบบนี้ดูคือปฏิบัติทางแบบสุดตง่งลองดูสิทําชีวิตให้มันแบบ เหมือนเหมือนตว์เดตฉานบ้างนะทำชีวิตให้แบบให้ทุกทรมานมากๆบ้างน ะ, นะเดินไฟนะนอนน้านอนตะปุนอนน้าแต่สุดท้ายซึ่งก็ยังเห็นว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางเนาะทั น, นี้ลองมาทางใหม่ดูดีกว่านะลองอดข้าวลองอดน้ำลองเอาฟันกัดฟันนะลองเอาลิ้นดันเพดานนะ ลองกั้นดมหายใจดูทําจนทั่งสุดความสามารถแล้วเขาก็มาเอกใจว่าเราทําจนทั่งไม่มีใครทําได้มากกว่าเราแล้วนน้ายอกเอาหนามบ่มทุกไม่เห็นออกไปสักทีเลยเทําไงนอมาถึงจะออกจากความทุกข์ก็ท่านก็อาจจะเลิกได้เองหรืออาจจะมีนาอาจจะมี พระพมมาดนให้ท่านนึกได้อันนึ่งเราก็มีรู้ที่เราได้ยินว่ามีพินสามสายมาดีให้ท่านได้ดูเนาะว่าถ้าเราปฏิบัติหย่อนเกินไปเนี่ยเสียงพินมันก็ไม่เพราะนะถ้าปฏิบัติตึงเกินไปเนี่ยพินมันก็ขาดทําไงล่ะเสียงถึงจะเพราะแล้วก็ไม่ขาดต้องตั้งสายพินให้มันพอดีพอดีนะพินที่บรรเลงมันก็จะเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็ไม่ขาด นะท่านก็มาระดึกได้ว่าโอทางสุดตรงที่เราเดินมาในพบนี้ก็ดีหรือว่าในหลายๆพบก็ดีนะก็คือการที่เราติดในความสุขติดในความทุกข์นี่แหละนะทํำยังไงละ่ะจิตมันถึงจะเหนือสุขเหนือทุกข์นะก็ท่านก็กลับมาเนะี่ยนั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะดูกายขยับขยื่อนเคลื่อนไหว ดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจดูอารมณ์ดูจิตนะดูสภาวะจิตที่มันมีการปรุงแต่งเห็นสภาวะจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนะดูธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะนะจากสภาวะของกายของใจที่มันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปท่านก็มาจะเดินนี่แหละนะจะเดิน สติปฐานนะสี่นแหละนะมาเห็นกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงแล้วก็ตั้งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละนะเห็นจนทั้งเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันมันหายในการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงไปนะได้บรรลุธรรมในขั้นต้นนะถ้าเราเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนพระอัญญาโกธัญญะพอได้ฟังธรรมจักนะก็เห็นนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน ะ, นะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ดับไปนะเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยก็เท่านั้นเป็นพระโสดาบันก่อนนะถึงถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้พระเจ้าก็คงมีสภาวะธรรมที่ค่อยๆได้ไปทั้งจนถึงหลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์ นะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจไม่ใช่ตัวไม่ใย่ตนเป็นกองทุกข์นะเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้แล้วท่านก็บรรลุธรรมเนาะแล้วก็เสวยวิมุติสุขอยู่ถึง49วันนะอัญญากลทัญญะได้รู้ตามท่านหลังจากนั้นอีกสองเดือนนะนะแล้วก็ศาสนาก็สืบต่อกันมาอีก2 0 0พกว่าปีจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ย นะไม่ได้หายไปไหนนะทางที่พระเจ้าทั้งสอนเราไว้นี่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หมดจุกหมดสมัยด้วยนะทางนี้ก็ยังมีอยู่แม้เป็นทางเล็กๆถ้าเปรียบเทียบกับทางบนโลกนี้นะแต่ก็เป็นทางที่ยังชัดเจนอยู่เพราะว่าธรรมะพระเจ้าทั้งสอนไว้พวกเราก็ยังเอามาสวดเอามาระลึกเอามาอ่านกันอยู่ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกได้ตามอยู่มาทุกยุคทุกสมัยจนถึงพวกเราเนี่ยธรรมะจริงแท้ก็ยังมีอยู่นะก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละนะเป็นผู้ที่ต้องทำเองพระเจ้าท่านบอกนะนะเรานะตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางแต่ท่านทั้งหลายเนะี่ยต้องเป็นผู้ที่เดินทางนะด้วยตัวของเราเองพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เป็นเพียงแค่ผู้บอกทาง นะหรือว่าผู้เดินนำทางแล้วนะพวกเราเห็นท่านอยู่ริบๆนะก็เดินตามไปนะอย่าไปเดินทะเิ่เถริ่ไปติดสุขไปติดทุกข์นะหรือขี้เกียจขี้ค้านนะนั่งพักพอใจนะแค่ความสุขโดยแบบหยาบๆพอใจแค่ความนะเป็นอยู่แบบสบายๆในตอนนีนะ้เราต้องไม่พักนะ จนทั้งติดนะกับความเพลินในอารมณ์นั้นๆเกียดค้านนะท้อแท้ท้อถอยนะหรือเราก็ไม่ควรที่จะทำในทางที่มันเป็นทางสุดโต่งที่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางนะอริยมรรคเนี่ยมีอยู่นะให้พวกเราได้พากันเดินทางนะอริยมรรคนี่มันจะเกิดขึ้นนะอย่างการที่เราเจริญสตินี่แหละเจริญการรู้สึกตัวเนี่ยแหละ มันทําให้อริยมรักนะมีองค์แปเนี่ยมันบริบูรณ์ขึ้นเรามีสตินะนะเรามีสัมมาสติที่แท้จริงนี่แหละมันก็จะมีสัมมาสมาธินะมีสติที่เรารู้ตัวทีละครั้งทีละครั้งนะยกมือไปเอามือมาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังกินดื่มขับถ่ายเดี่ยวซ้ายแลขวามีสติรู้ตัวทีละครั้งนี่แหละนะมันก็เกิดสมาธิทีละครั้งเหมือนกันนะ เกิดคณิกาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นทีละขณะทีละขณะนะมันก็ย่อมเกิดปัญญานะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะมันเห็นว่าอะไรคือความทุกข์เห็นอะไรว่าสาเหตุของความทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นวิธีการแล้วก็ทําตามวิธีการที่จะออกจากความทุกข์นั้นมันคิดก็ถูกนะถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะคิดในการออกจากกามถ้ายังหมก หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับกลามเนี่ยจะว่ารู้ทันความคิดก็ไม่ใช่หรอกนะมันเป็นการติดอยู่ในดมของกลามนะถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะคิดออกจากกลามกลามในที่นี้คือการเห็นความพอใจทางตาบ้างตามันชอบอรูปสวยๆของงามๆนะตามันชอบนี่เรามีสติมันตัดความพอใจตรงนั้นได้ หูได้ยินเสียงที่ไพเราะพ่อพิงก็ชอบหูได้ยินเสียงที่เขาดินทาเสียงไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ชอบมันก็ตัดความพอใจความไม่พอใจตรงนั้นได้อาหารที่เราได้ดิ้มรสชาติมาก็เหมือนกันจะอร่อยไม่อร่อยนะมันก็ติดแค่ดินแล้วก็เกินลงไปแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราติดใจแล้วก็ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะอยากจะได้อีกไม่อยากจะได้อีกนะ ปฏิเสธหรือเอามาก็คือติดในรสของของรสรสของอาหารรสของการกินนะเราเป็นเบาหวานเพราะเราติดรสของความหวานเราเป็นไขมันเพราะเร า, เาติดรสชาติของอของมันมันของทอดทอดะเราเป็นอะไรบางทีก็เพราะเรากินของเราเองนั่นแหละนอก จ, จากมันเป็นกรรมพันธ์อันนั้นก็เลือกไม่ได้เนาะมันเป็นกรรมเก่านะอันนี้แหละเพราะว่าบางที พฤติกรรมของเราในตาหูจมูกเดินกายรวมถึงใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งเนี่แหละเราคิดขึ้นมามันสุขก็อยากจะคิดต่อนะเดินจงกรมคิดถึงธรรมะก็ปรุงแต่งไปนะหมดเป็นชั่วโมงก็มนะีคิดถึงเรื่องทุกข์บางคนก็ชอบแช่อยู่กับความทุกข์ก็มีเราทําตัวของเราเองเนี่ยให้มันทุกขนะ์ทุกข์นี่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ใครทําให้เรานะเราทําเอง พอเรามีสติเนี่ยเราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทาเองนะเรายึดเราก็เลยทุกข์นะเรายึดว่ารูปนี้เป็นของเราเราก็เลยทุกข์เพราะเรื่องของรูปนี้เรายึดว่าใจนี้ เ, เป็นของเราเราก็เลยทุกข์เพราะใจนี้น่ะพอเราแม้มีสติ ame, เห็นเห็นว่าที่เรายึดนี่แหละเลยทำให้เราทุกข์นะมันก็วางได้เมื่อเรามีสติรู้ทันมันก็วางความทุกข์ จากการยึดมั่นถือมั่นในการนี้ในใจนี้ว่าเป็นของเรานะมันก็เกิดความปล่อยนะําเกิดความวางเกิดความหลุดพ้นอันนี้แหละนะทางที่พระเจ้าท่านสอนไว้นะพวกเราที่ที่มาบวชก็ดีนะบวชเป็นพระบวชเป็นแม่ชีหรือไม่ออกพอออกเนาะมาเข้าศีลนะในวันพระวันนี้เป็นวันวันแรกนะของ พรรษานี้น ะ, นะส่วนญาโยมที่มาชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีเดี๋ยอยู่ประจําก็ดีนักก็ขอให้พวกเราได้ทุกคนนะได้ทําความเพียรทางตอนนี้พระเจ้าทัญชีบอกพวกเราไว้แล้วนะรอพวกเราที่จะเดินตามกันเราทุกคนในที่นี้ก็คงเป็นก็หวังว่าจะเป็นกันญาณมิตรนะในการที่จะเดินทางออกจากความทุกข์ด้วยกันนะเป็นเพื่อนตธรรมมิตนะเป็นกันญาณมิตรนะ นักใกล้ฟองดองกันแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเดินทางในทางที่พระยะัชนชีบอกไว้แนละ้วก็อนุโมทนากับทุกท่านน่วยทีที่ตั้งใจเดินทางนะก็จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเดินทางไปด้วยกันอยจนทั้งเข้าถึงความหลุดพ้นด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน